ต่อจากนี้ไปเสนอรายการทันโลกทันเหตุการณ์ค่ะจากมาแสนไกลตั้งใจศึกษาเพื่อวันข้างหน้าจะเอาความรู้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 s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 นำเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังนะครับนะซึ่งเราจากการติดตามเกี่ยวกับเรื่องของการโหวตนาะยกตรีของสงสภานะครับเมื่อวันที่22สิงหาคมนี่ก็ผ่านไปแล้วนะครับเราได้นายกตรีคนที่30นะคือคุณเศรษฐานะครับนะซึ่งจากการโหวต ด้วยมตินะฮะ เ, เสียงผู้ทีเ่เข้ามาร่วมประชุมของสภาสมาชิกสภามีสอสอและสอวอรวมกันวันนั้นจากการ เ, าเปิดเผยของนายวันนอมวันมูฮัมหมัดนอมัทธาประธานรัฐสภาก็บอกว่ามีองค์ประชุม705คนามาจากสมาชิกนะที่ปฏิบัติหน้าที่ได้747เนี่ยมาประชุม705 นะครับแล้วก็มีการให้สมาชิกนะได้ลงมตนะิว่าจะรับหรือไม่รับนะครับนาะยงตีนี่นะครับนะซึ่งใช้เวลาร่วมสองชั่วโมงครึ่งนะครับนะและผลสุดท้ายนายพรเพชรวิชิตชลชัยรองประธานรัฐสภาก็ทำหน้าที่ประธานการประชุมในช่วงนั้นก็แจ้งผลการลงคะแนนว่านายเศษฐาได้คะแนนเห็นชอบ482เสียงนะครับนะ แบ่งเป็นสอส3สาเสียงแล้วก็สวร้อยสิบสองเสียงไม่เห็นชอบนี่ร้อยเสียงนะครับแบ่งเป็นสอสอร้แล้วก็สว13เสียงแล้วก็มีเสียงที่งดออกเสียง81เสียงซึ่งใน81เสียงนี้ก็จะเป็นสอสอสเสียงแล้วก็มีสวอยู่68เสียงก็ถือว่านายเศรษฐาได้รับคะแนนเกินกึ่งหนึ่ง ของสมาชิกของทั้งสองสภาก็เห็นชอบนะครับนะให้ในเสรษฐานเี่เป็นนายงตีตามรัฐนูนมาตรา272วรรคหนะึ่งก็สมาชิกก็ปรบมือแล้วก็มีการสแสดงความยินดีแล้วก็ประธานสั่งปิดประชุมวันที่22สองในเวลา 17.40 นนอนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็คงจะต้องจะต้องดูนะครับนะก็เป็นขั้นตอนนะของของสภา นะครับเป็นขั้นตอนของของสภานะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้นี่ก็คงจะต้องดูติดตามดูแต่ว่าจากจากที่ที่บอกแล้วครับนะว่าผูสื่อนี่ก็รายงานว่าจากคะแนนเสียงที่ทเห็นชอบนะให้ในายเศรษฐาเป็นนายกเนี่ยสี่เสียงเนี่ยก็เป็นเสียงของพรรคร่วมรัฐบาล11พรรคพรรคร่วมรัฐบาล น, นี่สิบพรรคก็ลงมติไปในทางเดียวกันนะอย่างพร้อมเพียงก็ไม่มีใครแตกแถวแล้วครับ นะยกเว้นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะก็ไม่ได้มาร่วมประชุมนะครั้งนี้แล้วก็มีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำลุงสสเพื่อไทยก็ไม่ได้แจ้งลาป่วยนะก็มีสองท่านไม่ได้มาแล้วก็รวมกับกลุ่มสอวออีกประมาณร้อยห้าสิบสองเสียงนะก็เห็นชอบนาะยเศรษฐาเป็นนายกนะส่วนกลุ่มที่ไม่เห็นชอบก็จะเป็น สอสอพักเก้าไกลนะครับแล้วก็ขนาดที่งดออกเสียงอยู่81ดเสียงนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นสอวอกับสอสนบางส่วนส่วนที่มีกระแสข่าวคือเรื่องของมีสอสอจากพักประชาธิปัตย์สเสียงมาโบวชเห็นชอบนะรับรองนายเศรษฐาหลายคนก็บอกว่าเป็นงูเห่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นเป็นสอสอในกลุ่มของ นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาธิการพักนะก็มีการยังยังต้องไปเคลียร์กันในในในพักกันอยู่นะครับในในส่วนของประชาธิปัตย์นะครับนาประชาธิปัตย์เนี่ยคงจะต้องดูนะแล้วจากที่สื่อรายงานเนี่ยนะครับนะจากการรายงานของสื่อเนี่ยในส่วนของสวที่ลงมติเห็นชอบให้นายเศรษฐาเป็นนายงตรร้อยห้าสิบเสียงนี้ก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสวในสาย ฝันะ่งพ ล, ลเอกประยุทธ์จนันโอชานายงตีและรัมตีกระลาหงสนะครับส่วนในขณะที่สวใสพลเอกประวิทย์นะงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประน์ส่วนใหญ่ก็ลงมติงดออกเสียงนะครับนะก็เป็นนะข้อสังเกตของสื่อส่วนสวที่ไม่สนับสนุนนายเศรษฐา13คนในส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสวที่แสดงเจตํำนงต้องแต่แรกแล้วนะครับว่าจะไม่สนับสนุนนะครับนะ เช่นนสมชายสแสวงการนายเสยวีวีสวนพานนท์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้ น, นี่ตรงนี้นี่ก็มีการลงมตินะกันไปแล้วแล้วก็เมื่อเมื่อวานนี้นะวันที่23สิงหาคมเนี่ยมีพระบรมราชโองการน ะ, ะโปรดกล่าวนะครับให้แต่งตั้งนายงตีคนที่30แล้วนะครับเมื่อเวลา18นาฬิกาของของเมื่อวานนี้ นะครับนางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการของสภาก็ได้อัญเชิญพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกองตรีคนที่30ของประเทศไทยมายังพักเพื่อไทยแหะครับห้องประชุมชั้นเจ็ของพรกเพื่อไทยสํานักงานแล้วก็มีการอ่านภูมิราชโองการนะครับนะแต่งตั้งนายกองตรีคนที่30แล้วหลังจากนั้นนายเศษฐาก็ถวายความเคารบพพระบรมศาพระบรมศาทิศลักษ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีมีการถวายบังคมสราความเคารพนะก็เสร็จสิ้นพิธีนะซึ่งนายเศรษฐาทวีสินก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะมีการเดินทักทายในส่วนของผู้นำของพรรคการเมืองต่างๆที่มาร่วมพิธีกันอย่างครบถว้วนเลครับนะพรรครวมรัฐบาลแล้วก็มีการเปิดเผยต่อ ผู้ซื้อข่าวนะครับบอกว่าในส่วนของตนเนี่ยจะทุ่มเทการทำงานตามมาตรฐานจริยธรรมด้วยความซื่อสั ต, สตย์สุจริตยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาช น, นแล้วก็มั่นใจว่า4ปีต่อจากนี้ก็จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศนะก็จะแก้ปัญหาวิกฤตอย่างเร่งด่วนโดวยว่าทางด้านเศรษฐกิจรายได้แต่ความเป็นอยู่ของพี่น้องนะครับนะก็ มีการเปิดเผยมีการถแถลงนะครับนะซึ่งก็ต้องติดตามดูผลงานนะครับนะก็ได้นายกและต่อไปก็คงจะต้องมีการฟอร์มคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็เป็นที่จับตามองกันนะครับว่ามีหลายโผลกันออกมานะแต่ละคนก็ติดตามดูว่าจะจะเป็นอย่างไรกันบ้างมารับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่เราจะมาพูดมาคุยกันต่อครับท่านบุญครับ ใจไอ้นี่จากบ้านมามาหาน้องมันปาะคองความหาให้สดใสย่านแต่น้องคนดีบอเห็นใจหรือตีว่าอยากจนคนบอมีไอจะหาเงินทองมาขอ y i u พูดมาคุยกันต่อในส่วนนี้ท่าทีของเอกชนนะครับต่อนายกตรีคนที่30นะครับนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่ยนายสนั่นอังอุบลกุลประธานหอการค้าไทยนะก็บอกบอกว่าหลังจากทราบว่านายเศรษฐาทวีสินได้รับเป็นนายกนักกตรีก็ยินดีนะครับหอการค้าแล้วก็ประเด็นเร่งด่ว น, นที่ พ่อค้านี่มองว่าจะต้องแก้ไขปัญหาก็คืออันแรกเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องปัญหาปากทองของประชาชนผ่านนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะลดค่าครองชีพลดต้นทุนภาคเอกชนทั้งค่าน้ํามันเชื้อเพลิงค่าไฟฟ้านะครับรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการคือไปกู้ไปยืมได้ง่ายอันที่2องนี่ก็หอการค้าเสนอว่าเร่งส่งเสริม ความโดดเด่นดันภาคการท่องเที่ยวนะซึ่งเป็นเครื่องจักรหลักที่กระตุ้นเศรษฐกิจโดยเพราะในไตรมาสสุดท้ายน่าจะเร่งนะมาทุ่มอีกอันหนึ่งอันที่สามนี่ก็คือเร่งเบิกจ่ายงบประมาณที่ค้างท่ออยู่นะจะทำงบประมาณใหม่นะเร่งต้องเร่งทำและครับปี2567นเะเพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วก็ดึงเม็ดเงินนะลงทุนใหม่จากต่างชาติ ก็ฝากไว้3ประเด็นหลักๆนะเพราะนั้นนี่ก็หลังคิดว่าชุดใหม่นะรัฐบาลชุดใหม่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะแล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่4ของปีกลับมาเติบโตนะเกิน3ามอยละสนะครับ 3% ส่วนนายเกรียงไกรเทียนนุ ก, กูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรือก็กล่าวบอกว่าประเทศไทยก็ได้นายกคนใหม่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ ดีพเพราะรอคอยกันมาร้อยวันนะครับหลังจากนี้ก็ต้องไปต้องไปฟอร์มทีมรัฐบาลนะก็อยากจะได้รัฐมนตรีที่จะมาส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตนะครั บ, นะรบนะทันกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่เขาก็ไปไกลแล้วดวยเพราะอินโดนีเซียกับเวียดนามนเป็นคู่แข่งนะเพราะฉะนั้นนตรงนี้นี่คงจะต้องจะต้องดูนะครับทางด้านนายมานะ นิมตมงคลเลขาธิการองค์การต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยก็บอกว่าตอนนี้นี่ก็ต้องระวังเกี่กับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยบริหารประเทศด้วยความซื่ อ, รรอสัตย์โปร่งใสนะวันช่วยกันกําจัดคอร์รัปชันจากจากเมืองไทยนะจากประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้นี่ก็ก็ฝากไว้ ส่วนในายใช้ชาญเจริญสุขประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยก็บอกว่าภาคเอกชนเนี่ยอยากจะเรียกร้องรัฐสาส่วนก็คืออันแรกคือเร่งจัดตั้งรัฐบาลอย่างเรื่องด่วนสองก็ไม่ต้องการเห็นความรุนแรงนะอยากให้ให้มีการเจราจาลอมชอมกันกันมีส่วนร่วมของประชาชนทุกทุกภาคส่วนทุกสีเสื้ออันที่สาก็ ให้เร่งทำงานโดยเร็วนะเพราะตอนนี้ในไทยเรามีปัญหาเศษษรษฐกิจลุ่มเล้ามากนะการส่งออกนี่ตกต่ำลงมากนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ภัยแรงก็เกิดขึ้นมากนะระดับน้ำขาดแคลนน้ำเพราะฉะนั้นปัญหานี่รอให้รัฐบาลมามาแก้ไขนะครับปัญหานี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ในส่วนของภาคเอกชนเนี่ยก็มีการเรียกร้องนะครับเรียกร้องว่า เราจะเราจะกระตุ้นกันกันอย่างไรนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงคงจะต้องดูนะครับเพราะมันมีอยู่หลายส่วนนะครับนะหลายส่วนในการที่จะมาพัฒนามาอะไรต่างๆกันนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงคงจะต้องดูนะครับนะก็มีการฝากกันของรัฐบาลในหลายภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะซึ่งเราก็จะเห็นว่าเรื่องการท่องเที่ยวนี่ จะต้องมีการกระตุน้นะการท่องเที่ยวให้ใหมากขึ้นโดยเฉพาะนะการนะดึงนะภาคชุมชนเขา ม, ามีมีส่วนร่วมนะครับนะตอน น, นี้เราจะทำอย่างไรที่จะนะขยายการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเทศนะเพื่อนบ้านนะครับนะโดยเฉพาะในส่วนของกัมพูชากับกลาวนะครับนะซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวเข้าม า, มากนะเราจะเชื่อม กันอย่างไรโดยเฉพาะเชื่อมรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงความเร็วปานกลางที่เราจะเชื่อมนะต่อจากภาคอีสานหนองคายนะไปเวียงจันทนระ์เชื่อมรถไฟความเร็วนะไปไปจีนเนี่ยนะครับนะเราก็จะสามารถที่จะส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะโดยเฉพาะผละไมนะ้พวกทุเรียนนะเงาะมังคุดต่างๆที่ที่คนจีนนิยมแะครับนะไปจำหน่ายหรือว่าในส่วนของนักท่องเที่ยวนะ ของไทยของจีนอาจจะเข้ามาเที่ยวบ้านเราทางอีสานนี่มากขึ้นนะก็น่าจะมีจุดเชื่อมตรงนี้นะครับนะแล้วก็รวมทั้งการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับกับกมพูชานะฮะช่องผ่านแดนต่างๆเนี่ยเพราะว่าในส่วนนี้นี่เราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวนิยมเที่ยวในกัมพูชาก็คือแถวนครวัดนครทมแหะครับที่เสียมเรียบนะทำอย่างไรที่จะให้นักท่องเที่ยวคุณภาพนะ เหล่านี้ข้ามาเที่ยวทางอีสานใต้นะเรามีปราสาทปราสาทหินนะครับนะใ น, ในสถาปัตย์แบบขอมเนี่มากมายโดยเฉพาะพนมรุ้งเมืองต่าบุรีรัมหรือพิมายโคราชนะจะดึงนักท่องเที่ยวนี่ข้ามาเที่ยวฝั่งไทยกันยัได้อย่างไรนี่ก็ต้องมีการวางแผนส่งเสริมกันให้ให้ดีละครับนะเพราะว่าถ้านักท่องเที่ยวเข้ามามากเราได้เงินตราต่างประเทศมากก็จะทําให้เศรษฐกิจดีดีขึ้นนะครับนะแล้วก็โดยเฉพาะ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแม่เหล็กของเราทั้งภูเก็ตนะในส่วนของสมุยก็ดีนะครับในส่วนของพัทยานะะยองภาคตะวันออกก็เป็นจุดที่ดึงดูดนะักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับนักท่องเที่ยวนิยมนะเชียงใหม่ด้วยนะครับนะที่เชียงใหม่ที่กรุงเทพคือนักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยนิยมมากับอินเดียนะครับนะซึ่งเป็นประเทศที่ประชากรเนี่ยเป็นพันล้านนะครับนะนะก็มาท่องเที่ยวเนี่ยทำอย่างไรที่จะ ดึงชุมชนนะครับเข้ามาร่วมจัดการท่องเที่ยวซึ่งก็มีในหลายๆพื้นที่ในเริ่มนะที่จะให้ชุมชนเอาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยมามาจำหน่ายแล้วก็ดึงนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะเชิงวัฒนธรรมนะโดยเฉพาะเชิงวัฒนธรรมนี่ก็เริ่มนิยมมากโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยนี่ก็ผู้เกษียณนี่ก็มกักจะนิยมไปท่องเที่ยวไปทําบุญตามวัดวาอารามต่างๆเกจิอาจารย์นะจัดกันเป็น เป็นทีมไปนี่ก็ทําให้ราย ไ, ได้ของการท่องเที่ยวนี่กระจายกันไปทั่วทั่วทุกภาคเลยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็มีหลากหลายหรือว่ า, าการที่ส่งเสริมก า, การมามารักษาตัวหรือส่งเสริมกันว่าให้บริการเกี่ยวเรื่องของสุขภาพนะโดยเฉพาะานักท่องเที่ยวในส่วนจากจีนจากตะวันออกกลางนิยมนะครับนะมาม า, มาทําการรักษามาพักฟื้นอยู่ในประเทศไทยนะหรือบางคนนี่ก็ ถ้าเป็นผู้เกษียณผู้สูงอานิยมนิยมมามาอยู่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะแถวเชียงใหม่นะหรือเมืองท่องเที่ยวต่างๆนะเพราะว่าผู้เกษียณในต่างประเทศนี่เขาจะมีสวัสดิการมีรายได้มีบำนาญ น, นี่านค่อนข้างจะสูงนะครับโดยเฉพาะแถวยุโรปนะก็จะนิยมมาพักผ่อนมาท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็นะฝากาไว้นะครับเป็นเป็นในส่วนของรัฐบาลชุดใหม่นี่นะครับนะก็ ถ้าทำได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับรวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุนะทำอย่างไรที่จะให้ผู้สูงอายุนะได้มีไรายได้ที่พอเพียงกับการยังชีพนะหลายส่วนนี่เสนอเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของบำนาญประชาชนนะครับให้มีบำนาญเหมือนกับข้าราชการนะเพราะข้าราชการนี่เกษียณก็จะได้กัน ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้กันคนละสองสามหมื่นต่อเดือนนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าถ้าประชาชนนี่ถ้าคนแก่สามารถที่จ ะ, ะมีรายได้มี บ, บนานาญเพิ่มขึ้นไปสักพันสองพันบาทนะก็จะทำให้วิถีชีวิต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 คนเอิญน้องว่านั่งไอาอก็ได้ชายาพาแดงจากมือแหบังไฟสมัยเรียนมเป็นคู่ชิ้นอินแหงจนแอ บ, บฟันไปหอดงานแตง่งเสดายแหงบุญหักโบเธอ ได้เรียนพอแต่น้องแม่พ่อเพื่นพ่อปัญหาน้องเลยต้องมาสัญญาเขาวิวาแบบว่าใจขาดคำวันที่อายได้ดีชาวบ้านใบสีน้องได้แต่ลืมบ่าวกลับไปฮวมไปฮอดไปเถิงชาตินี้ได้ลี้ยงเหตจ๋า 想法。 ทางันอีกจกักสัรก็ยังยืนยันอย่าเกิดห่วมกันอย่าเกิดว่าแฟนซิฟอนแห่บังไฟเพื่อต่อบุญไปถวยพยาแทนว่านางไอยังมันยังเกนรอปูกสายแน่น